อารามวักวักว่าด้วยอารามสิกขาบทที่หนึ่งอารามวัคปาจิตติยกันห้ามเข้าไปในวัดที่มีภิกษุโดยไม่บอกล่วงหน้าภิกษุหลายรูปนุ่งผ้าผืนเดียวไม่ได้ห่มจีวรทำจีวร อ, อยู่ในวัดใกล้หมู่บ้านนางภิกษุณีไม่ได้บอกล่วงหน้าเข้าไปในวัดในที่นี้คงทำให้น่าเกลียด ที่เข้าไปเห็นพระนุ่งสบงโดยแม่ห่มจีวรภิกษุเหล่านั้นพากันติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทและบัญญัติเพิ่มเติมอีกสองครั้งรวมเป็นข้อความว่านางภิกษุณีรู้อยู่ไม่บอกล่วงหน้าเข้าไปสู่ที่วัดที่มีภิกษุต้องปาจิตติสิกขาบทที่สองอารามวัดปาจิตติยกกัน ห้ามด่าหรือบริาาพาชภิกษุนางภิกษุณีพวกหกโกรธเคืองพระกัปปิตกะผู้เป็นอุปชายยะของพระอุบาลีคิดจะฆ่าซะบางรูปเล่าให้พระอุบาลีฟังพระอุบาลีจึงบอกให้พระกัปปิตกะทราบพระกัปปิตกะจึงหลบซ่อนนางภิกษุณีพวกนั้นฆ่าไม่สำเร็จก็โกรธเคืองพระอุบาลี ว่าเป็นผู้ไปบอกจึงพากันดา่าและบริพาสพระอุบาลีพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัตปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้ดา่าหรือบริาพาสภิกษุสำหรับสิกขาบทนี้อโกเส ย, ยะคือดา่าบริภาเส ย, ยะคือบริพาสตามศัพท์น่าจะแปลวา่าด่าคือด่า ต, ตรงตงบริพาสคือด่าโดยอ้อม แต่คาอธิบายท้ายสิกขาบทว่าบริพาตคือพูดให้กลัวสิกขาบทที่สาอารามวั์ปาจิตติยากันห้ามบริพาทภิกษุณีสงนางทุนละนันทาภิกษุณีโกรธเคืองภิกษุณีสงซึ่งสวดประกาศลงอุเคปนิยกรรมคือยกจักหมู่แกนางจันดากาลีภิกษุณี เพราะเหตุที่ไม่เห็นอาบัติจึงด่าบริพาสภิกษุณีสงว่านางภิกษุณีเหล่านี้เป็นคนเขลาไม่ฉลาดไม่รู้จักธรรมะโทษของกรรมกรรมวิบัติหรือกรรมสมบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษณุณีผู้บริพาสภิกษุณีสง์สำหรับคำบริพาสตรงนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการด่าโดยอ้อม คาว่ากรรมหมายถึงสังฆกรรมคือกรรมที่จําเป็นการสงฆ์กรรมวิบัติคือสังฆกรรมที่ไม่สมบูรณ์กรรมสมบัติคือสังฆกรรมที่ถูกต้องสมบูรณ์สิกขาบทที่สอารามวัชปาจิตติยกันห้ามฉันอีกเมื่อรับนิมนต์หรือเลิกฉันแล้ว พรามผู้หนึ่งนิมนต์นางภิกษุณีหลายรูปไปฉันบางรูปฉันเสร็จแล้วไม่รับอาหารที่เขาจะเติมให้อีกแล้วภาษาพระว่าห้ามข้าวแล้วก็ไปสู่สกุล ญ, ญาติบางรูปก็รับบิณฑบาตแล้วจากไปพรามผู้นิมนต์ทราบเรื่องก็ติเตียนด้วยความน้อยใจว่าตนไม่สามารถถวายอาหารให้ได้ตามความต้องการหรือยอย่างไร พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่านางภิกษุณีรับนิมนต์แล้วหรือไม่รับอาหารที่เขาจะเติมให้แล้วเขี้ยก็ตามฉันก็ตามซึ่งของเคี้ยวหรือของฉันต้องปาจิตติสิกขาบทที่ห้าอารามวัต์ปาจิตติยะกันห้ามพูดกิจกันนางภิกษุณีอื่น นางภิกษุณีไปบิณฑบาตในตรอกแห่งหนึ่งในกรุงสาวัตถีเจ้าของบ้านนิมนต์ให้ฉันอาหารแล้วสั่งให้บอกนางภิกษุณีอื่นให้มาบ้างเธอคิดจะกีดกันจึงพูดกับนางภิกษุณีอื่นๆว่าที่นั่นมีสุนัขร้ายมีโคดุเป็นที่เชอแชะแฉะอย่าไปเลยภายหลังความแตกเพราะนางภิกษุณีรูปอื่นไปทางตรอกนั้นได้รับนิมนต์ให้ฉันแล้วถูกต่อว่า ว่าเหตุไฉนานางภิกษุณีทั้งหลายจึงไม่มาเมื่อเขาทราบความก็พากันติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัตปาจิตตีแกนางภิกษุณีผู้ตรณีสกุลคือพูดกีดกันไม่ให้ภิกษุณีรูปอื่นไปสู่สกุลหรือแกล้งผู้ติเตียนนางภิกษุณีด้วยกันใหเขาฟังเพื่อจะไดนิมนต์แต่ตนผู้เดียว สิกขาบทที่หอารามวัตรปาจิตติยกันห้ามจําพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุนางภิกษุณีจําพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุมีผู้ติดเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้จําพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุหมายเหตุจากหนังสือ ในคำอธิบายท้ายสิกขาบทอ้างว่าทำให้ไม่ได้ฟังโอวาทและไม่ได้อยู่ร่วมคำว่าอยู่ร่วมความหมายว่าทำกรรมร่วมกันเรียนร่วมกันศึกษาร่วมกันเหตุผลที่ให้นางภิกษุณีอยู่ในวัดที่มีภิกษุอาจจะเพื่อป้องกันคนขมเหงด้วยอีกส่วนหนึ่งสิกขาบทที่7อารามวัต์ป่าจิติยกัน ห้ามการขาดปาวรณาในสงสองฝ่ายนางภิกษุณีหลายรูปจำพรรษาแล้วมิได้ปาวรณาต่อภิกษุสง์มีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่านางภิกษุณีจำพรรษาแล้วไม่ปาวรณาในสงสองฝ่ายคือภิกษุสง์และภิกษุณีสง์โดยฐานะสามคือด้วยไดเห็นด้วยไดยิน ด้วยนึกรังเกยียจสงสัยต้องปาจิตตีสำหรับการปรวาวรณาคือการอนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนกันและกันได้สิกขาบทที่8อารามวัตรปาจิตติยากันห้ามการขาดรับโอวาทและการขาดการอยู่ร่วมนางภิกษุณีพวกหก มีภิกษุพวก6กมาให้โอวาทอยู่แล้วก็ไม่ไปฟังโอวาทร่วมกับนางภิกษุณีทั้งหลายมีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่านางภิกษุณีไม่ไปเพื่อรับโอวาทเพื่อการอยู่ร่วมต้องปาจิตตีสำหรับการอยู่ร่วมในที่นี้คือร่วมสมคีทากรรมหรือศึกษาเล่าเรียน ร่วมกับนางภิกษุณีอื่นๆสิกขาบทที่9อารามวัชปาจิตติยกันห้ามการขาดถามอุโบสถและการไปรับโอวาทนางภิกษุณีไม่ถามวันอุโบสถไม่ขอรับโอวาทมีผู้ติดเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่านางภิกษุณี พึงหวังธรรมะสองอย่างจากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือนคือการถามวันอุโบสถการเข้าไปหาเพื่อรับโอวาทถ้าให้ล่วงกำหนดนั้นไปต้องป่าจิตตีสิกขาบทที่สิบอารามวักปาจิตติยากันห้ามให้บุรุษบีฝีผ่าฝีเป็นต้นนางภิกษุณีรูปหนึ่ง สองต่อสองกับบุรุษให้บีบฝีซึ่งเกิดขึ้นที่ประสาขาคือใต้สะดือลงไปเนื้อเข่าขึ้นมาบุรุษนั้นพยายามคมขืนนางภิกษุณีนั้นนางจึงร้องขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่านางภิกษุณีไม่บอกสงฆ์หรือคณะก่อนเป็นผู้สองต่อสองกับบุรุษให้บีบก็ตาม ให้ผ่าก็ตามให้ชะก็ตามให้พันผ้าก็ตามให้แก้ผ้าพัานก็ตามซึ่งฝีหรือแผลอันเกิดขึ้นที่ประสาขาต้องปาจิตตี